ปธาตุกะถาว่าด้วยอรูปธาตุห้าร้อยสิเจดสกสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุใช่ไหมปรอใช่สกเวทนาเป็นภพเป็นคติเป็นสัตวาวาาเป็นสงสารเป็นกาเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัดภาพใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก คำที่ให้เขาถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกส<า>ัตว์ผู้เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเวทนามีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเวทนามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเวทนาเป็นภพที่มีขันศีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรูปธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรใช่สกเวทนาเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่เข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหม ปรใช่สกกรรมที่เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัตว์ผู้เข้าถึงเวทนามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในอรูปธาตุมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่ สกในเวทนามีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในอรูปธาตุมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรอใช่สกในเวทนามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อรูปธาตุเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรใช่สกเวทนาเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้สิบแปดสกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุในกรรมธาตุมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกกรรมธาติกับอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการมาต้กับอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ประกอบด้วยการมาพชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยพศสองคือการมาพบและอรูปประพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปธาตุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุ ในกามธาตุมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกกามธาตุรูปธาตุและรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามธาตุรูปธาตุและรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ประกอบด้วยกามภพชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยภพสาม คือกามาพบรูปประพบและรูปประพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพระรูปธาตุกถาจบเจ็ 7. รูปธาตุยาอายตนะกถาว่าด้วยอายตนะในรูปธาตุห้า้อยสิบกสกอัอตภาพประกอบด้วยอายตนะหกมีอยู่ในรูปธาตุใช่ไหมปรใช่สอกอ ในรูปประทัดนั้นมีคานายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปประทัดนั้นมีคันทายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประทัดนั้นมีชิวหายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปประทัดนั้นมีรัษายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในรูปพระธาตุนั้นมีกายยตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปพระธาตุน <im> ั้นมีโพธพายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปพระธาตุนั้นไม่มีคันทายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปพระธาตุนั้นไม่มีคานายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในรูปประทัดนั้นไม่มีรัายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปประทัดนั้นไม่มีคิวหายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประทัดนั้นไม่มีโพธพายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปประทัดนั้นไม่มีกายายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าอยี่สิบ สกในรูปประทัดนั้นมีจักรขายาตนะและรูปลายาตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปประทัดนั้นมีคานายาตนะและคันไายาตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประทัดนั้นมีจักขายาตนะและรูปลายาตนะใช่ไหมปรใช่สก ในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรสาหายตนะมีกายายตนะและโปทพาหายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะและศัทธายตนะมีมณายตนะและธรรมายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปธาตุนั้นมีขานายตนะและคันทายตนะใช่ไหม ปรไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมนั้นมีมานายตนะและธรรมายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปธรรมนั้นมีคิวหายตนะและร้อยสายตนะมีกายายตนะและโภทพายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างน cool 네ั้นสกในรูปธรรมนั้นมีคานายตนะแต่ไม่มีคันทายตนะใช่ไหม ปรใช่สกในรูปประธาตนั้นมีจักขายาตนะแต่ไม่มีรูปายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประธาตนั้นมีคานายตนะแต่ไม่มีคันทายญาตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปประธาตนั้นมีโสตายตนะแต่ไม่มีศัทธายตนะมีมณายตนะแต่ไม่มีธรรมายตนะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรตมนั้นมีชิวหายตนะแต่ไม่มีรัษายตนะมีกายายตนะแต่ไม่มีโพธพายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปธรตมนั้นมีจักหายตนะแต่ไม่มีรูปายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรตมนั้นมีกายายตนะ แต่ไม่มีโพธพายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะแต่ไม่มีศัธายตนะมีมัญนายตนะแต่ไม่มีธรรมายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยี่สิบเอ็ดสกในรูปธาตุนั้นมีจักขายาตนะและรูปายตนะบุคคลเห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรใช่ สกในรูปประทาดนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกนั้นใช่ไหมปร contrary, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประทาดนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะบุคคลเห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรใช่สกในรูปประทาดนั้นมีชิวหายตนะและรสายยตนะบุคคลลิ้มรสนั้นทางลิ้น มีกายายตนะและผ o t h ายัตนะบุคคลถูกต้องผ o t ภพนั้นทางกายใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรามนั้นมีโสตายตนะและสัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะบุคคลรู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมปรใช่สกในรูปธรรมนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะ บุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมทานั้นมีมนายตนะและธรรมายตนะบุคคลรู้ธรรมารมณนั้นทางใจใช่ไหมปรใช่สกในรูปธรรมทานั้นมีชิวหายตนะและรส า, ายตนะมีกายายตนะและผดทะพายตนะบุคคลถูกต้องผดทะพานั้นทางกายใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประทัดนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะแต่บุคคลไม่ได้ดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรใช่สกในรูปประทัดนั้นมีจักขายตนะและรูปายตนะแต่บุคคลไม่เห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะแต่บุคคลไม่ได้ดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรใช่สกในรูปเใช่ไหมปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าอุปหัดจะปริณิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอุปหัดจะพบมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะท่านเข้าใจว่า อันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าอาสังขารปรินิพพายีบุคคลมีอยู่สสังขารปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าสสังขารพบมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอันตราภวะกถาจบ สากามคุณนักกถาว่าด้วยกามคุณห้าร้อยสิบสกกามคุณห้าเท่านั้นเป็นกรรมธาติใช่ไหมปรใช่สกความพอใจที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นมีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากความพอใจที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามธาต์ สกความกำหนัดความพอใจความพอใจและความกำหนัดที่เกี่ยวกับการมคุณห้านั้นความดำริความกำหนัดความดำริและความกำหนัดที่เกี่ยวกับการมคุณห้านั้นปิติโสมนัตปิติและโสมณัติที่เกี่ยวกับการมคุณห้านั้นมีอยู่ไม่ใช่หรือปรใช่สกหาปิติและสมณัติที่เกี่ยวกับกามคุณห้านั้นมีอยู่ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามาธาตุสกกามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามาธาตุใช่ไหมปรใช่สกจักษุของมนุษย์ไม่เป็นกามาธาตุใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตคานะทิวหากายมโนของมนุษย์ไม่เป็นกามาธาตุใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 ท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามนของมนุษย์ไม่เป็นกรมธาตุห้าร้อยสิบเอ็ดสกกามคุณห้าเท่านั้นเป็นกรรมธาตุใช่ไหมปรใช่สกกรรมคุณเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาทเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณนิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก กรมที่ให้เข้าถึงการมคุณมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงการมคุณมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในการมคุณมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในการมคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามคุณเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในกามคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจคพุทธเจ้าทั้งหลายคู่พระอรสะสาวกอุบัตขึ้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรมะธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาส เป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณนิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรใช่สกกามคุณเป็นภพเป็นคติเป็นจัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณนิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่เข้าถึงกรมธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก กรมที่เข้าถึงกรรมคุณมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่าง น, นั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงกรรมมาธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัตว์ผู้เข้าถึงกรรมคุณมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในกรรมมาธาตุมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สก ในกรรมคุณมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในการมมาธาตุมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปอรรใช่สกในกรรมคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก กรรมธาตุเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรใช่สกกรามคุณเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรไม่กวนกล่าวอย่างนั้นสกในกรมธาตุมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้พระอัครสาวกอุบัติเคลนใช่ไหมปรใช่สกในกรามคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย พระปจเจกับพระเจ้าทั้งหลายคู่พระอรหัสาวกอุบัติขึ้นใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยสิบสองปอรรท่านไม่ยอมรับว่ากามคุณห้าเท่านั้นเป็นกา ร, รมท่าใช่ไหมสกใช่ปอรรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น e ่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผลิตภัณฑ์ที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด ภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้นกามคุณห้าเท่านั้นจึงเป็นกามทธาตุกามคุณนกักถาจบ ถาว่าด้วยกรามห้าร้อสกอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกรามใช่ไหมปรรใช่สกความพอใจที่เกี่ยวกับอายตนะห้านั้นมีอยู่ไม่ใช่หรือปรรใช่สกหากความพอใจเกี่ยวกับอายตนะห้านั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกรามสกความกําหนัด ความพอใจความกำหนัดและความพอใจที่เกี่ยวกับอเยตนะห้านั้นความด âm ฤตความกำหนัดความด âm ฤตและความกำหนัด mm. ท, nice. ที่เกี่ยวกับอเยตนะหานั้นปีติโสมนัสปีติและโสมนัสที่เกี่ยวกับอเยตนะหานั้นมีอยู่มิใช่หรือปรใช่สกหากปีติและโสมนัสที่เกี่ยวกับอเยตนะหานั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า อายตนะห้าเท่านั้นเป็นกลามห้า้ยสิบสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกลามใช่ไหมสอกอใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกลามาคุณห้าประการนี้ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งโรคที่พึงรู้แจ้งทางตาห้าโพธภัติที่พึงรู้แจ้งทางกาย ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดพิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นอายตนะห้าเท่านั้นจึงเป็นกลามสอกอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกลามใช่ไหมปรใช่สอกอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิกษุทั้งหลาย กามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งโรคที่พึงรู้แจ้งทางตาหโพธภทภะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดพิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้พิษุทั้งหลายแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่ากามสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามคุณในอริยวินัย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 แต่ทีราชนทั้งหลายย่อมกําจัดความพอใจในอารมณ์ที่วิจิตเหล่านั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอายตนะห้าเท่า น, นั้นเป็นกามกามกถาจบห้ารูปธาตุคาว่าด้วยรูปธาตุห้าร้อยสิบห้าสก สภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นรู ป, ปราธปาตุใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาทเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณนิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปมีสัตว์เกิดแฉ่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก รูปประทาเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัดภาพใช่ไหมปรใช่สอกอรูปเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อัดภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอกรรมที่เข้าถึงรูปประทามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ สัตว์ผู้เข้าถึงรูปาธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปาธาตุมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สกในรูปมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกในรูปธปาตุมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรอใช่สกในรูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปธปาตุเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรอใช่สกรูปเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ห้า้อยสิบหกสคสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปธาตุในกรรมธาตุมีรูปใช่ไหมปรใช่สคกรรมธาติกับรูปธาต์เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสคกรรมธาติกับรูปธาต์เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรใช่สคบุคคลผู้ประกอบด้วยกรรมพบชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยพบสอง คือการมาพบและรูปประพบใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นรูปปาธาตุกาถาจบ สุกขาว่าด้วยอรูปธาตุห้าร้อยสิบเจดสกสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุใช่ไหมปรใช่สกเวทนาเป็นภพเป็นคติเป็นสัตวตาวาสเป็นสงสารเป็นกาเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 อรูปธาตุเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปอรอใช่สกเวทนาเป็นภพที่มีขันธ์สี่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้สิบปดสกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นอรูปธาตุในกรรมธาตุมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปอรอใช่สกกรรมธาติกับอรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหม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 ในกรรมามธาตุมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกกรรมามธาตุรูปธาตุและรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมามธาตุรูปธาตุและรูปธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ประกอบด้วยกามภพชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยภพสาม คือกามภพบรูปประพบและรูปประพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นรูปปทาตุกถาจบ 7. รูปปทาตุยาอายตนะกถาว่าด้วยอายตนะในรูปปทาห้าร้อสิบกสกอัอตภาพประกอบด้วยอายตนะหกมีอยู่ในรูปปทาใช่ไหมปรใช่สอกอ ในรูปประท่านั้นมีคานายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปประท่านั้นมีคันทายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประท่านั้นมีชิวหายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปประท่านั้นมีรษายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในรูปพระธาตุนั้นมีกายายตนะใช่ไหมปรใช่สกสสสในรูปพระธาตุนั้นมีโพธพายาตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปพระธาตุนั้นไม่มีคันทายญาตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปพระธาตุนั้นไม่มีคานายญตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 สกในรูปธรรมนั้นมีจักขายตนะและรูปลายตนะใช่ไหมปรอใช่สกในรูปธรรมนั้นมีคานายตนะและคันไายตนะใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมนั้นมีจักรายตนะและรูปลายตนะใช่ไหมปรอใช่สก ในรูปธรรมนั้นมีชิวหายตนะและระสาหายตนะมีกายายตนะและปทภายตนะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอในรูปธรรมนั้นมีโส Ο ตายตนะและสัท ธ, ธายตนะมีมนายตนะและธารมายตนะใช่ไหมปรอใช่สอกอในรูปธรรมนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมนั้นมีมานายตนะและธรรมายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปธรรมนั้นมีชิวหายตนะและรษายตนะมีกายายตนะและโภทะพายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมนั้นมีคานายตนะแต่ไม่มีคันทายตนะใช่ไหม ปร <af g term> ใช่สก <labeled> ในรูปธรรมนั้นมีจักขาญตนะแต่ไม่มีรูปายญาณะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมนั้นมีคานายญาณะแต่ only, ไม่มีคันทายญาณะใช่ไหมปรใช่สกในรูปธรรมนั้นมีโสตายญาณะแต่ไม่มีจัตไายญาณะมีมนายญาณะแต่ไม่มีธรรมายญาณะใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมนั้นมีชิวหายตนะแต่ไม่มีรัศายตนะมีกายายตนะแต่ไม่มีโพธพาญตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปธรรมนั้นมีจักขายตนะแต่ไม่มีรูปายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมนั้นมีกายายตนะ แต่ไม่มีโพ ธ, ธาพายตนะใช่ไหมปรใช่สกในรูปธาตุนั้นมีโสตายตนะแต่ไม่มีศัตตายตนะมีมัญนายตนะแต่ไม่มีธรรมายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดสกในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปลายตนะบุคคลเห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรใช่ สกนในรูปธาตุนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกนั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนในรูปธาตุนั้นมีจักขายตนะและรูปลายตนะบุคคลเห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรใช่สกนในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรห า, ายตนะบุคคลลิ้มรสนั้นทางลิ้น มีกายายตนะและโผภทพายตนะบุคคลถูกต้องโภทภะนั้นทางกายใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธรรมนั้นมีโสตายตนะและสัทธายตนะมีมัญนายตนะและธรรมายตนะบุคคลรู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมปรอใช่สกในรูปธรรมนั้นมีคานายตนะและคันทายตนะ บุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประทัดนั้นมีมานายตนะและธรรมายตนะบุคคลรู้ธรรมารมนั้นทางใจใช่ไหมปรใช่สกในรูปประทัดนั้นมีชิวหายตนะและไรษายตนะมีกายายตนะและผดทะพายตนะบุคคลถูกต้องผดทะพานั้นทางกายใช่ไหม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 ในรูปธาตุนั้นมีขานายตนะและคันทายตนะแต่บุคคลไม่ได้ดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปรใช่สกในร imagine, นูปธาตุนั้นมีโสตายตนะและศัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะแต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์นั้นทางใจใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและราชายตนะ มีกายยัจจะและโพธพายัจจะแต e itu, en, ่บ ouais, ุคคลไม่ถ <veut ham messaging>, ูกต oh, ้องโพธพานั้นทางกายใช่ไหมปรใช่สกในรูปธาตุนั้นมีจักขายัจจะและรูปายัจจะแต่บุคคลไม่เห็นรูปนั้นทางตาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธาตุนั้นมีกายยัจจะณะและโพธพายัจจะแต่บุคคลไม่ถูกต้องโพธพานั้นทางกายใช่ไหม ปอรอใช่สกในรูปธรรมนั้นมีโสตายตนะและสัทธายตนะมีมนายตนะและธรรมายตนะแต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณนั้นทางใจใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยยี่สิบสองสกในรูปธรรมนั้นมีขานายตนะและคันทายตนะบุคคลดมกลิ่นนั้นทางจมูกใช่ไหมปอรอใช่สก ในรูปธาตุนั้นมีกลิ่นที่เกิดจากรากเกิดจากแก่นเกิดจากเปลือกเกิดจากใบเกิดจากดอกเกิดจากผลมีกลิ่นคาวกลิ่นฉุนกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปธาตุนั้นมีชิวหายตนะและรสาหายตนะบุคคลลิ้มรสนั้นทางลิ้นใช่ไหมปรใช่สก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 บุคคลถูกต้องโพฏธภพานั้นได้ด้วยกายนั้นใช่ไหมปรใช่สกในรูปธาตุนั้นมีสัมผัสที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบสบายไม่สบายหนักเบาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห2 3อปรท่านไม่ยอมรับว่าอัตภาพที่ประกอบด้วยอายตนะหมีอยู่ในรูปธาตุนั้นใช่ไหมสกใช่ ปรในรูปธาตุนั้นมีคานนิมิตชิวหานิมิตและกายานิมิตไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากในรูปธาตุนั้นมีคานนิมิตชิวหานิมิตและกายานิมิตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัตภาพที่ประกอบด้วยอายตนะหกมีอยู่ในรูปธาตุรูปธาตุยาอายตนะคถาจบ8อรูเปรูปคาถา ว่าด้วยรูปในอรูปห้ายี่สิ่อกในอรูปภพรูปมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกอรูปภพนั้นเป็นรูปภพที่มีรูปเป็นคติที่มีรูปเป็นสัตว์ทว่าที่มีรูปเป็นสงสารที่มีรูปเป็นกำเนิดที่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่มีรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อรูปภพนั้นเป็นภพที่ไม่มีรูปเป็นคติที่ไม่มีรูปเป็นสตาว่าที่ไม่มีรูปเป็นสงสารที่ไม่มีรูปเป็นกำเนิดที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปไม่ใช่หรือปรใช่สกหากอรูปภพนั้นเป็นภพที่ไม่มีรูปเป็นการได้อัตภาพที่ไม่มีรูปท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในอรูปภพรูปมีอยู่สก ในอรูปภพรูปมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก อ, อรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันห้าเป็นคติเป็นสัตตาวาดเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัตภาพที่มีขันห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก อ, อรูปภพนั้นเป็นภพที่มีขันสีเป็นการได้อัตภาพที่มีขันสีไม่ใช่หรือปอรใช่ สกหากอรูปภพ